ขอความสุขความเจริญมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายทียงทกจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องวโรสหัสสูตรหรือสูตรที่ว่าด้วยการการสันเสริมพระพุทธเจ้าโดยคาถาที่ไม่คิดไว้ก่อนราอความในตอนต้นก็คล้ายๆกับที่กล่าวไว้แล้วในภาวนาสูตร แค่ว่าในตอนนี้เป็นเรื่องที่ภิกษุมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตวอที่ประเทศตะวันนั่นแหละแต่ว่าในตอนเย็นจะต้องเข้ามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพเจ้ากระรงแสดงธรรมให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความเห็นแจ้งให้สมาทานคือน้อมนําไปปฏิบัติ ให้อาถานมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความร่าเริงแงแสดงธรรมแนวการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดคือหมายความว่าจะทรงเริ่มต้นด้วยอะไรก็ตามและแสดงไตระดับไปโดยลำดับก็จะจบลงที่การบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต เป็การหลุดพน้นจากสังสารทุกข์ที่แท้จริงทิศเหล่านั้นก็ได้ทำทำนั้นให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงคือตุ้มเทตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจพินิจพิ จ, จารณาคือในการฟังธรรมนะมันจะต้องเริ่มต้นที่ความพอใจในธรรมะ แล้วก็ใช้ความเพียรในการกำหนดใจที่จะจำคำเทศคำแสดงในขณะนั้ น, น, นในขณะเดียวกันก็มีใจิตใจจดจอ่อไม่บกแวกไม่แวบไปแวบมาไม่คิดโน้นคิดนี้คิดนั้นทุกขั้นตอนนั้นจะต้องใช้ปัญญาหมายความว่าก่อนที่จะพอใจก็ต้องมีปัญญาตัจสิงว่าควรจะพอใจหรือไม่พอใจ แต่ตามานั้นเป็นเรื่องแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อัตฉริสัยของพุทธุขและทรงแสดงธรรมคล้อยตามจะดิดฐอัตฉริสัยของท่านเหล่านั้นท่านท่านก็ต้องมีความพอใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ใช้ความเพียรพยายามที่จะกําหนดจดจำก็ประกอบด้วยอิธิบาททั้งสประการก็แล้วกัน คราวนั้นพระวังคีสะก็มีความคิดว่าพระบุมีภาคเจ้านั้นทรงแนะนำชักชวนพิสูจทั้งหลายอาถารให้ร่าเริงและทำมีคาถาประกอบเป็นนิพพานฝ่ายิสูจน์เหล่านั้นก็ได้รับประโยชน์จากธรรมะดังกล่าวเดยะตั้งก็คิดว่าอยากกันนั้นเลย เราควรจะสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่เฉพาะพระพักด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรเถิดานกระเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แนวอย่างที่บอกไว้แล้วนะฮะคือลุกขึ้นจากอาสนะธรรมพระโฮมจะเวียงบาแล้วก็ประนมอัญชลีเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วกราบทูลว่าเมื่อความหล่อนนี้ย่อมแจมแจ้งแก่ข้าพระองค์ตแต่ประสุคตเมื่อความหล่านี้ย่อมแจมแจ้งแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระพภาคก็จัดว่าเมื่อความนั้นจงแจ่มแจ้งกับเธอวัองคีสักระวังคีสาก็ได้กล่าวสรรเสริญเป็นประกาถาใจความว่า ภิกษุมากกว่าพันเย่มนั่งห้อมล้อมประสุขคตผู้ทรงแสดงธรรมอันปราศจากทุลีคาว่าทุลีน่ก็คือกิเลสตามปกติแล้วก็จะเรียกราคะโลภะโทสะโมหะอยู่มาเรียกให้เต็มๆก็ราคะโลภะโทสะโมหะเป็นทุลีเหมือนก็ฝุ่นเป็นทุลีต่างๆที่มันตกลงมา ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็สะสมอยู่ในที่นั้นภกคุณละ อ, องธุรีทั้งหลายให้ลองสังเกตวันจิตใจของเราก็มีธุรีเข้ามาทุกวันมามากบ้างน้อยบ้างมันก็มีการสะสมอยู่ภายในใจเราจึงสะสมความรักความชังสะสมความกําหนัดความต้องการ แล้วก็สะสมความโง่เอาไว้อีกเป็นอนหา น, านาักในขณะเดียวกันเราก็จะสะสมความดีด้วยนะครับเช่นว่าสะสมทานสะ ส, ส, สมศีลสะสมภาวนาสะสมเมตตาสะสมกรุณาสะสมมุติตาสะสมเบกขาเราก็สะ ส, สมไว้ด้วยกันเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบเคียงทั้งสองด้านเนี่ยเราสะสมอะไรไว้มากกว่าอันนี้คือประเด็นที่สําคัญ เพราะในการรับอารมณ์แต่ละคราวนั้นจะเป็นการต่อสู้แบบชักเยอ่อกันระหว่างกุศลกับอกุศลยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราไปเจอเงินอยู่ในกระเป๋าเป็นจำนวนล้านเป็นใบละพันล้วนเปิดมาดูก็ เ, เรียกว่าเป็นล้านปัญหาสำคัญว่าในจิตเราเนี่ยมันมีทุลีมาก หรมีความสะอาดนะถ้ามีความสะอาดกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดหรืากายสะอาดวาจาสะอาดใจสงบใจสว่างมันก็จะออกมาในรูปเกิดกรุณาต่อเจ้าของเงินแทนที่จะเกิดโลภะมันเกิดกรุณา เกิดเมตตาเกิดกรุณาต่อตัวคนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์แน่นอนเมื่อไม่ใช่ทรัพย์เราก็คือทรัพย์คนอื่นน่ะมันทรัพย์เหล่านี้มันตัดสินแบบง่ายมากว่าไม่ใช่ของเราแต่ทีนี้ถ้าถ้าทุลีมันมากคือกิเลสโลภะราคะโทสะโมหะมันมากจะมีคนกลุ่มหนึ่งคิดว่ามันเป็นลาบรอยแล้วก็ยึดถือไปเป็นของตัวเอง ก็ไปแอบไปไปซ่อนไปหมกไปเก็บเอาไว้โดยที่ใจนั้นยังมีความม่ตกกังวลวาดระแวงกลัวจะถูกจับกลุ่มคุ้มขังลงโทษแต่ก็ห้ามใจจากความโลภไม่ได้เพราะทุมีคือความโลภมันเยอะและลเราต้องเกตว่าวัตโโมหะมันก็เยอะด้วย ยือไม่คิดโดยเหตด้วยผลอะไรเลยว่าทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราก็คือของคนอื่นไม่ต้องไปนับอะไรมากหรอกไม่ต้องไปยุ่งคนคุณหนึ่งอาจจะรู้สึกเฉยเยเฉยเก็ใจแคบไปหน่อยนะเพราะว่าเมื่อเราขินแล้วเราเกิดเมตตากรุณาเนี่ยมันก็ยากที่จะให้คนอื่นก็เกิดเมตตากรุณานได้ มันเราต้องใช้เมตตากรุณานี้ให้เป็นประโยชน์คือช่วยเหลือเจ้าของทรัพย์ให้เขาได้ทรัพย์คืนไปก็เป็นการป้องกันทรัพย์เพราะว้จากคนที่เห็นเป็นลาบลอยแล้วก็ทุกคนก็สบายใจเราคนที่เห็นเป็นลาบลอยที่จริงก็เป็นคนที่น่าสงสารเพราะต่อไปเขาก็ต้องถูกจับถูกจับจ้องจับ ความสงสารเมื่อเราก็แผ่ไปถึงคนที่จะเกิดโลกในทรัพย์สมบัติตล่านั้นดังน้นการแสดงออกเสียหนตากูดาในกรณีนี้จึงเป็นความถูกต้องที่สุดการวางเฉยไม่ใส่ใจไม่สนใจอาจจะทำให้ทรัพยเหล่านี้ถูกลักขโมยไปหรือตัวเองก็อาจจะถูกระแวง ก็มีสกิพยานเห็นว่าเราเดินผ่านไปทางนั้นเขาเรียกว่าว่างนูไม่พ้นคอก็แล้วแต่ดังนั้นไอ้ทุรีเนี่ยมันก็ปิดกั้นจิตไม่ให้สะอาดไม่ให้สงุกไม่ให้สว่างทําให้กายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดใจไม่สงบใจไม่สว่าง ก็ด้วยสินสมาธิปัญญาเนี่ยแล้งท่านบอกว่าทำมันหาภัยแต่ที่ไหนไม่ได้หมายความมาทำที่หาภัยไม่ได้เลยคือไม่มีภัยเลยเนี่ยมันก็คือตัวนิพพานเพราะถ้ายัางหืุดมันต้องมีภัยแหละภัยมากหรือภัยน้อยนะั่นเปเรืหนึ่งแต่ว่าต้องมีภัยแล้วบอกว่า พิสูจตั้งหลายย่อมฟังธรรมอันปราศจากมนทินมนทินก็เป็นกินเลสประเภทที่สร้างความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นแก่ใจิตใจของบุคคลเหมือนไงก็ความเป็นจริงก็เป็นกิเลสือโล ก, กดหลงนั่นแหละเพียงแต่กระจายออกไปเป็นมนทินเก้าประการว่อสรุปกลุมก็คือโลกปดลง แต่ทีนี้ธรรมะนี่มันเพื่อนขจัดมนทินขจัดทุรีนะขจัดทั้งมนตรนมนทิ น, น, น, ท, นทุรีนี่จริงเราคือกันนะั้นนะเป็นอุ ป, ปมาเทียบเคียงถึงชื่อของกิเลเพราะมนตรีก็ทำให้เาหมองทุลีก็ทําให้เศ้าหมองแล้วก็สะสมอยู่ด้วยกันสะสมอยู่ด้วยกันต่อไปก็เป็นสนิม น, นะฮะ จะเห็นว่าที่จริงก็เป็นพวกเดียวกันนั่นแหละปนกันอยู่เพราะจิตเรามันก็มีทั้งบนทิมีทั้งผุ้ลีในขณะเดียวกันมันก็มีคุณค่าที่ดีๆอยู่ผะ ส, ะสมรวมอยู่ด้วยกันเดี๋ยวแยกจากกันรวมอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าต่างตัวต่างก็เป็นอิสระแก่กัน แต่พอกระทบอารมณ์เนี่ยมันปฏิกริยาต่ออารมณ์มันก็ขึ้นอยู่กับพลังขวายไหนไมันมากกว่าพลังขวายนั้นก็แสดงตัวออกมาเดี๋ยวกํากับความคิดของเราให้แล่นไปตามกระแสกระแสของอารมณ์ของตัวเองท่านจึงบอกว่าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อันหมูภิกษุห้อมล้อมแล้วย่อมงามจริงหนอ อนนี้ทนพูดในแง่ของอังคาพยศคือพุทธสรีระและในขณะเดียวกันก็พูดถึงปุกลิกภาพของพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าไรงามในทุกอิริยาบถในอิริยบทที่มันสงบสันตากายโยสันตาวจโยสันตามนกายสงบวจารสงบใจสงบแล้วก็ปุกลิกลักษณะที่ ประกอบด้วยหมาปุริสลักษณะมันโดดเด่นนะโดดเด่นซึ่งอยู่ในถ้ำกลางสงก็โดดเด่นเห็นชัดเลยว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระเจ้าชาติตระูเนี่ยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนตอนเข้าเฝ้าตอนกลางคืนนะฮะเข้าเฝ้าที่ชีวกรรมพรวันเพื่อไปกราบ ขอเข้ามาโทษที่ทำปีทุคด้วยแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าได้ตอบคำถามคำถามปัญหาเรื่องสามัญญพจสุดผลของการเป็นสมณะหมอจีวะโกมารพัฒจะแนะนำให้พระพุทธให้รู้จักพระพุทธเจา้าท่านบอกไม่ต้องแนะนำท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเอง แล้วก็สังเกตเห็นพอไปถึงก็เห็นปั๊บเด่นกว่าคนอื่นหมดพระสงฆ์ห้าร้อยเนี่ยพระเจ้านั่งประทับเด่นกว่าในที่นี้ตั้งพันนะแต่การนี้แสดงเป็นพันคือก็การเป็นพันในหมายความว่าพระเชตะวันมีพระอยู่ได้หนึ่งพันเรเรียกว่าเป็นอย่างน้อยอีกแหละเพราะวั น, นที่บางแห่งมันเคยพบว่ามีพระอยู่ตั้งสามพัน เมื่อที่สมัยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีปแปดสิบก็ได้เราแสดงว่าถูกบุกลุกไปเรื่อยแล้วนะคพระบามเพระปมินทรมหามิ พ, กกมาาพััดท่าเดื้อสวนของเจ้าเชตนะชื่อซื้อ ส, อสวนนะฮะมันสวนก็ต้องใหญ่แล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมีหลักฐานปรากฏว่าพระเคย อ, อยู่ตั้งสามพันแม้แต่อิสิปตนานะฮะสารณา ท่า น, นที่ไปอินเดียไปสารนาตมาก็จะรู้ว่าที่สารนาตด น, นเองก็เคยมีพระตั้งสี่ห้าร้อยไอ้ไม่ใช่พันห้าร้อยแลแสดงบริเวณก็กว้างขวางอาคารสถานที่ก็คงจะเยอะแล้วบริเวณใกล้เคียงก็ต้องมีประชากรเยอะงานพระไม่รู้จะบินทบาทที่ไหนลืมมาพระห้าร้อยออกบินทบาท นั่ถึงว่าคนที่ต้องตักบาทคนละที่นะฮะเลี้ยงพระองค์ละรูปมา อ, องค์ละที่แล้วก็ไปเรียกว่าสองสามสี่ที่นะฮะแต่ก็ตักยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพระ่อนยังเข้าใจว่าตักด้วยทัพพีนี่แหละตักด้วยทัพพีหรือพวกกระบวยอะไรนะแต่ว่าข้าวน่าจะหยิบด้วยมือ เพราะว่าเป็นผู้ที่มือเนี่ยไม่เคยแห้งหมายความว่าคล้ายๆกันน่าจะเป็นคล้ายๆกับภระอีสานเพราะว่าท่านมีที่ล้างมือแล้วก็หยิบข้าวใส่บาตรถึงจะเดินก็ล้างมือก็หยิบข้าวใส่บาตรเมื่อข้าวติดมือท่านก็นล้างมือท่านก่อนแล้วก็หยิบข้าวใส่เพระก็ต้อง รับพอสมควรแก่แก่ความจําเป็นที่จะต้องบริโภคสรุปว่าคนรับบาทกเขาต้องมากแหละถ้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เป็นผู้ทรงนามว่าพญาช้างอันประเสริฐนี่ก็คือเป็นคำยกต้องนะยกย้องอยังไงก็ได้เราพระเจ้าเนี่ยเอามาเทียบกับอะไรก็ได้ที่สูงสูงนะที่สูงสูงที่ดีๆนี่เอามาเทียบอะไรก็ได้ เป็นพระฤาษีที่เจ็ดแห่งฤาษีทั้งหลายนี้ก็คือมหาฤาษีที่เขาพูดว่ารัจนาคัมพีพระเวทอ่ะหรืรัชนาคัมพีพระเวทมาตั้งแต่โบราณมหาฤาษีเจ็ดนอพนะระวังคีสาก็เชื้อสายของของหวงพระพรามนะท่านเบ็นพราหมณ์แล้วก็เรียนจบโดยเพ่ระเวททางกษสตร์มา มรฤสษีเจ็ดตนนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าท่านโก็ยกย่องพระพุทธเจ้าก็เป็นพระฤาษีที่เจ็ดแห่งพระฤาษีทั้งหลายเป็นผู้ดุจมหาเมฆอันยังฝนให้ตกในพระสาวก ค, คือคนมาผนก็คือธรรมะนะครับธรรมะที่หลั่งลงมาให้ความสุขความสงบความเยือเกเย็น แก่ภาษาบกผูดให้ฟังถ้าแต่พระองค์ผู้ส่งแกล่ามากคือพระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกไม่เคยสะดุ้งผู้ไม่สะดุ้งในหมู่ผู้ที่สะดุ้งทั้งหลายพระพุทธเจ้าเกิดมาท่ามกลางผู้สะดุ้งและเสร็จแล้วพอจัุรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์ รักชังอย่างกระแสของชาวโลกเพราะจึงเป็นคนกระหารที่ยิ่งใหญ่แนมะแล้วก็กล่าบถูนว่าวังคีสสะสาวกของพระองค์ออกจากที่พัดรางวันด้วยความใครเพลุกเฝ้าพระาศาสดาขอถวายบังคมดังนี้พระพูมีพระเจ้าตัถามวังคีสะ คาถาเหล่านี้เธอตรึกรองไว้ก่อนหรือหรือว่าแจนแจ้งประจักษ์แกเธอในชรปนเพราะคล่องมากนะท่านว่าอะไครคล่องมากแล้วก็ร้อยเรียงได้ความเรียบร้อยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นฉันเป็นฉันทลักษพระวังกิสากราพูดว่าถ้าแต่พระองค์พูดเจริญคาถาเหล่านี้ข้าพระองค์ไม่ได้ตรึกรองไว้ก่อนเลย จะย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ได้โดยทันทีพระพุทธภาคิาาางจัดว่าวังคีสักคาถาตั้งหลายที่เธอไม่ได้ตรัสซองไว้ในการก่อนจงแจ่มแจ้งแก่เธอโดยประมาณยิ่งยิ่งเกิดคือรับสั่งให้กล่าวต่อเมื่อตั้งกล่าวได้คมนะฮะตั้งกล่าวได้คมระวังศาสาทุลรับพระพุทธธรรมรัตของพระพุทธพาคเจ้าแล้ว ก็ได้ทูนสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาทั้งหลายซึ่งตนก็ไม่ได้ศึกจองไว้ก่อนคือบอกให้ต่อก็ต่อเลยและนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ถ้าเราตั้งหลักไม่ได้เนี่ยก็เสียเหมือนกันออตอนที่สมเด็จพระสังฆราชได้รับการสถาปนาใหม่ๆกว่าสองพันห้าร้อยสามสิบสอง วันนี้บนเสด็จห้าจังหวัดภาคใต้ท่านก็สั่งให้มาตามเสด็จด้วยแต่ว่าท่านไม่ได้บอกล่กหน้าว่าให้ตามไปทำอะไรเรามาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเลขาอะไรต่อไรเราปรากฏว่าไปที่ใดทุกแห่งนะฮะท่านจะต้องรับสั่งแก่ประชาชนที่มาเฝ้า แล้ต่าจะรับสั่งไปประมาณสามสิบนาทีบอกว่าเอาต่อไปจะคุณโสพลว่าต่อคณะมาก็เป็นพระโสพลคณะก่อนทุกแห่งน่ะ ท, ท่านท่านท่านท่านสั่งทุกแห่งเลยทั้จังหวัดนี่สั่งทุกแห่งวันการฟังของเราคือต้องตั้งสติอย่างดีหนะ่แล้วก็ตามให้ทันเพราะเราไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ตรงไหน ก่อนที่จะเป็นสังฆราชท่า น, นรับปาตกระกถาในที่บางแห่งทั้งสองชั่วโมงชั่วโมงเออชั่วโมงครึ่งอะไรเนี่ยนะท่านจะช่วดไปด้วยแล้วท่านจะพูดประมาณสามสิบนาทีอนน้ันนั้นเราจะโยนลูกลตก่สมาเลยแต่เราก็เราก็ภูมิใจนะลึกๆเราก็ภูมิใจว่าเราสามารถที่จะ่อได้ แล้วก็สนิทสนมสอบข้อความว่าสอดคล้องกันเสร็จสติต้องดีมากคือหมาความเราต้องจําเรียกว่าจดจอด่อทีเดียวพอท่านก็อยู่ก็อยู่ก็หยุดเลยแล้วก็ต้องต่อให้สนิทแล้วก็ว่าต่อไปจนให้สอดคล้องกับข้อความตอนตอน้ตนๆซึ่งมันก็ตื่นเต้นอย่างแนวพระบงางกิเจเราจะเห็นว่าก็น่าตื่นเต้นนะแต่ว่าท่านเป็นพระอาหารย์ท่านก็คงไม่ตื่นเต้นอะไร เ่งกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงครอบงำหนทางผิดตั้งร้อยของมารจะได้หมายความว่าทางดำเนินชีวิตที่มันผิดพลาดแต่มันก็ยาไเป็นมื่อใดยกตัวอย่างเช่นทางเสื่อมหรือว่าทางการกระทาที่เป็นอัปมงคลซึ่งตรงกันข้ามกับมงคลสามสิบแปดประการ เช่นว่าการครบผ่านการไม่คบบัณฑิตการไม่บูชาผู้ควรบูชาการไม่อยู่ในประเทศที่สมควรการไม่ตั้งตนไว้ชอบการไม่มีบุญกระทำไว้ในการก่อนการไม่ตั้งตนไว้ชอบการไม่เป็นโพสตดการไม่มีวินัยในตัวเองการไม่ฉลาดในศิลและป่อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอัิมงคลเนี่ยมันเยอะเป็นทางของมารท่านบอกว่าทางผิดตั้งร้อยของมาร พระเจ้าปิดกั้นไว้ได้หมดทรงำทำทำทลายกิเลสเครื่องตรึงใจเพียงดังตะปูเสียได้เสด็จเที่ยวไปกิเลสที่เป็นดุจตะปูเครื่องตรึงใจเนี่ยเป็นเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจ ไม่หนักแน่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็ใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นคนที่โกรธเป็นคนที่โกรธง่ายเป็นคนมักโกรธแล้วก็โกรธง่ายนี่ก็คือตะปูขึ้นตรึงจิตตามปกติแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้ยังอยู่ บุคคลก็ผ่านพ้นไปไม่ได้ในคว่ามาถ้าเรายังเครือบแคลงสงสัยเราไม่แน่ใจในพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์ในใจติขานี้ก็จบแล้วคือเข้าประตูวันนี้ผ่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันต้องละความเครือบแคลงสงสัยได้แต่ที น, นี้เราไปไม่ได้เพราะว่าถูกตรึงเอาไว้และกิเลสประเภทโทสะเราจะเห็นว่าคนจะงุดหงิดจะรําคาญ จะมีความคิดอ่านที่รุนแรงแล้วท่านก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เชิญเชิชวนกับพระสงฆ์คือเป็นการกราบคูณสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่าเป็นการสรรเสริญให้พระสงฆ์คิดตาม ไม่ได้หมายความว่ า, าท่านไปเทศสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านเทศท่านเทศไปเพื่อนซาธ ร, รมิกนั่นเลยฟังตามที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเราไม่ควรลืมนะะว่าตัวนี้เป็นเกียรติยศมากการที่ไปเทศแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยภาษาริบุตรนี่เคยเทศแทนพระนนท์นี่ก็เคยพระโสณ กุติกันนะพระโสณกุติกันนะพระพระโสรนกุติกันนะเนี่ยก็เคยเทศเทศถวายอันนี้อันนี้ไม่ใช่เทศแท่นคือรับสั่งให้พักด้วยกันแล้วก็ประทับนั่งก็คุยธรรมะก็จะรุ่งนั่นแหละเทวุจ้าก็สอนสอนธรรมะเพราะท่านอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ข้างนอกไปอยู่ที่อุเชนี มาเคว้าพระพุทธเจ้าอายุครบพระแล้วไม่มีพระสงฆ์พระสงฆ์อยู่ไม่ครบเลยบวชไม่ได้ยัดติกรรมไม่ได้เดยวเวลาเป็นสามปีท่านกล่าวธรรมะได้ไพเราะขับขานธรรมะได้ไพเราะมากก็เป็นเอตาตะาคะในเรื่องตรานี้เนราะฉะนั้นก็พระบังทีศานี้ก็ได้รับรับเหยียดอย่างเนี่ย อย่าลืมเป็นด้นกรนสดนะครับด้นกรนสดเป็นฉันทะลักแล้วก็ด้นเป็นกรนสดออกมาเลยไม่ใช่มือธรรมดาผู้ทรงทําการแก้เครื่องผูกจะได้เครื่องผูกในที่นี้หมายถึงกันถาอย่างหนึ่งนะครัันถะอย่างหนึ่งแล้วกาหะกาหะก็ อ, กอย่างหนึ่งกาหะสามคันถามีกสีแล้วก็สังโยชน์สังโยต แล้วก็สิบก็สรุปว่าที่จริงก็คือโลกปวโหลงนั่นแหละแต่ว่าท่านพูดละเอียดออกไปกัานผาก็คือโยคะอย่างที่ว่าแล้วในวันก่อนนู้นนะก็คือการมังกันะ่ะเครื่องผูกรัดคือกามเพราะว่ากันผะเครื่องผูกรัดคือพบทิฐิกันผะเครื่องผูกรัดคือชิติแล้วก็วิชากันผะ เรื่องบุระเกลือวิชาในขณะเดียวกันก็คือกาหะนิคแปลว่าเครื่องเหนียวเครื่องยึดตอนกันคือตัณหามาณทิจิตเป็นอาการอยากได้อยากใหญ่ของบุคคลแต่ยลีบางคนอยากได้อยากใหญ่ในใจแคบนะอยากได้ก็ไม่ต้องการใานกึ่งเหนีได้ อยากใหญ่ก็ไม่ต้องการในคนอื่นใหญ่เพราะถ้าคนอื่นใหญ่ด้วยตัวเองก็ไม่ใหญ่จริงอยากใหญ่ที่สุดเหนือบุคคลทั้งหลายเจนภายในวัดเนี่ยต้องการให้พระทุกรูปขึ้นภายใต้การกํากับควบคุม ข, ของตัวเองเรือปูเร่เรขาลันจะพิทูลสุขต้องการเดินอยู่ข้างหน้าเป็นผู้นําเป็นผู้นําพระสงฆ์ทั้งปวงเป็นพวกที่ใจแคบ แล้วก็ยี่เนิงก็คือสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์เป็นกิเลส ท, ที่ผูกใจคนผูกใจสัตว์เอาไว้นะก็จริงจริงก็มีสองชุดแต่ชุดหนึ่งเขานิยมพูดกันในกลุ่มพวกอภิธรรมแต่พระที่เรียนพระสูตรเนี่ยไม่นิยมพูดเพราะว่าอ่มันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะเป็นเครื่องกาหนดเพราะว่ากิเลสมันสลับ มันสลับกันแต่ว่าอีสิบข้อเนี่ยมันเป็นเกณฑ์มาตรวัดว่าจากนี้ถึงนี้พระโสดาบันละได้จากนี้ถึงนี้พระนาคามีละได้จากนี้ถึงนี้พระอาหารหันต์ละได้มันเป็นมาตรวัดแล้วแสดงชัดถึงอาการของโลภะโทสะโมหะมันว่าขึ้นที่โมหะก่อนโมหะแล้วก็โลภะโทสะแล้วก็โมหะที่ละเอียดนะโมหะที่ละเอียด ในสิบข้อนั้นที่จริงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราใช้เป็นมาสเทียบเชียงในเรื่องอื่นไม่ได้เพราะว่าที่ปโจจุบันล่าได้ก็กระโดดไปกระโดดมาที่พระณาคาล่าได้ก็กระโดดไปกระโดดอันนี้มันไม่กระโดดก็คืออะไรคือสักกายชิติควางเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขา จนขนาดว่าไปคิดว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปๆมีในตนเวทนาตัญญาทังขานวิญญาณก็ไปคิดอย่างเดียวกันก็นกลายเป็นสักกายทิฏฐิยี่สิบพิ จ, จิจิขาความเครื่อบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในใจสิกขาสงสัยในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยาการในขณะเดียวกันก็ศีลปฏิป h มา m a หรือถือมั่นโดยศีลโดวยวัดรืยข้อปฏิบัติที่เคยชินคุ้นเคยนะประพฤติกับปฏิบัติกันมาในลักษณะอย่างนั้นที่นี้พระโสดา บ, บันละได้ถ้าสักพระสักก า, าคามีก็ละได้นะกับธรราคะโทสะโมหะให้เบาลงกว่าพระโสดา บ, บันแล้วต่อไปการมาราคะ หิบที่กำหนัดในวัตถุการมปฏิกะความหงุดหงิดความไม่พอใจความรำคาญตรงนี้พระนาคามีละได้ต่อไปก็เปรู ป, ปราคะความกำหนัดในรูปฌานอารูปราคาความกำหนัดในรูปอาารูปฌ า, า, า น, นาาแล้วก็มาณนะความถือตัวถือตนคุตติจากความพุ้งสร้าง พุ่สั้นเฉยๆนะไม่ไม่กุศลแล้วก็อวิชชามีประาหารละได้และพวกนี้ ก, ก็เรียกว่าเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องผูกที่พู้เจ้าทรงสั่งสอนให้บุคคลแก้เครื่องผูกเหล่านั้นออกไปได้บอกว่าผู้อันกิเลสอาศัยไม่ได้แล้ว หมายความมาทั้งพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยภายในใจท่านปราศจากกิเลสแต่ว่าในที่นี้ท่านเน้นที่องค์พระพุทธเจ้าว่ากิเลสมันอาศัยอยู่ภายในใจไม่ได้มันอารมณ์ที่กระทบเนี่ยที่จริงคนทั่วไปมันก็เกิดกิเลสนะคเห็นรูปสวยๆความเสียงไถเราะดมกลิน่นหอมๆริมรสเปี้ยอร่อย จับต้องสิ่งที่น่าจะต้องมันก็จะเกิดจิตแปรผันไปตามแรงของกิเลสที่จิตมันปรุงขึ้นมาแต่ว่าพระพุทธเจ้ามันตกไปมันเหมือนกับหยดน้ําที่ตกลงเป็นใบบัวมันกลิ้งกลับมันไม่ซึมล ง, งไปอารมณ์ก็คงกระทบนั่นแหละมันไม่ใช่ไม่กระทบแต่ว่าไม่ยินดียินได้ การเทียบดูคล้ายๆกับเราเห็นเขาขายตุ๊กตาเนี่ยไม่มีโลภะที่จะได้หลือาขายของเป็นนั้นมากมีเยอะไปในถนนที่เราเห็นแล้วเราไม่อยากได้แม้สมมุติจะมีสตังเนี่ยมันก็ไม่อยากได้เราไม่รู้จะเอาไปทําอะไรผู้ทรงจําแนกธรรมเป็นส่วนๆเราจะเห็นว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นก็เรียกอันเน ก, กปริยาย มีสองข้อบ้างหนึ่งข้อบ้างหนึ่งข้อบ้างสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ข้อแปดข้อเก้าข้อสิบข้อเจดข้อสิบสองข้อเรียงไปเรื่อยๆเลยนะฮะแถวประมาณสักสิบหกไปแล้วเนี่ยมันมันจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้ว่าเรียงหายไปจนถึงพันห้าร้อยนะเป็นยิเลสห้าร้อยเรียกว่ายิเลสพันห้าตันหาหนึ่งแปด แล้วก็พระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ส่งบอกทางมีอย่างต่างๆเพื่อเป็นเครื่องข้ามโอคะเราอย่าลืมว่าที่เราคุ้นค้นเนี่ยนะฮะไปข้ามโอคาได้เท่านั้นเช่นสมมติว่าเราพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแล้วยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ มันเริ่มต้นที่ทุกข์สัตว์นะฮะแล้วก็ข้ามพวกกิเลสเราได้กิเลสคือโอคาโอคาก็เหมือนกันนะการมาโอคาโอคาคือกามเพระโอคาโอคาคือพบที่โอคาโอคาคือทิฏฉิวิชฌะโอคาโอคาคือวิชชารัสศ์ให้เห็นโทษของกิเลสได้เพียงพยายามลดละก็ข้ามโอคาได้ในเกิดประทับใจดื่มดำพอใจที่จะสัมผัสนิ่ผ่าน มันก็ข้ามโมฆะได้หรือปฏิบัติไปตามหลักอริยมรรคเนี่ยก็ข้ามโมฆะได้แต่อย่าลืมว่าทั้งหมดมันต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรแม้จะเริ่มต้นที่ตรงอื่นก็ตามเพราะในตรงนั้นแหละที่จริงอริยมรรคซ้อนกันอยู่จะเราพิจ า, ารณาวัชราธรมมหิชรังนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เนี่ย ไอ้ตัวความแก่มันเป็นทุกข์สัตว์แต่จิตใจที่ยึดมั่นถือมั่งแล้วก็ไม่พอใจที่คนพูดว่าเราแก่มันก็เป็นสมุทัยสัตว์แต่ปัญญาที่พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรม ร, มรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้เนี่ยเป็นมรรคสัตว์พอพอใจมันปล่อยวางมันก็สัมผัสมิรอดสัตว์แล้วก็แสดงว่าในเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอริสัตย์เขา ดูด้วยกันเพียงแต่ว่าฝ่ายหนึ่งลดจํานวน ล, ลดความเข้มข้นลงไปฝ่ายหนึ่งจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพวกกิเลสมันก็จะลดลงความทุกข์จะลดลงแล้วก็มกรรคสัตว์จะสูงขึ้นนิโรธสัตว์ก็จะสูงขึ้นไปถึจงจุดหนึ่สงสมถัยหมดทุกหมด มรรคสัตว์ก็สมบูรณ์มรรคสัตว์สมบูรณ์ก่อนนะครับมรรคสัตว์สมบูรณ์ก่อนในรอสมบูรณ์ก่อนแล้วก็พวุงนี้ก็จะหมดไปอย่างสมบูรณ์แต่ว่ามันก็แยกไม่ทันหรอกมันก็เร็วกําหนดแต่ก่อนหมดดูไม่ทนันและการต่อไปท่านบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ทรงบอกทางในอย่างต่างๆเพื่อเป็นเครื่องข้ามโอเะ โมนทางนั้นซึ่งเป็นทางไม่ตายไม่ตายก็คือนิพานนะธรมะตะัดในนิโรธสัตว์เนี่ยก็เรียกว่าบทนิยามของคำว่านิโรธนี่แปลว่าอมรุตตรสหมายความว่าผู้ผู้ปฏิบัติถึงเนี่ยจะได้ดื่มด่ำกับความไม่ตายเพราะอะไรเพราะไม่มีการเกิด ไม่มีการเกิดมันก็มีตัวตนให้ตายแล้วก็อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสบอกแล้วสาวกทั้งหลายเป็นผู้เห็นธรรมไม่งอนแง่นตั้งมั่นแล้วทำที่ไม่งอนแง่นอย่างน้อยนะฮะไม่งอนแง่นอย่างน้อยที่สุดตรงเป็นปโสดาบันเขาเรียกว่าอจจะะาจารลักษัณฐาคือศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวสามารชนเราเอาตัวไม่ใคยรอดหรอกคือยังไงก็ยังหวั่นไหวอ ย, อยู่ อารมณ์ทั้งหลายกับราคะโลภะโทสะโมหะริศยาแข่งดีเบียดเบียนอะไร ต, ต่างๆก็ยังหวั่นไหวเยอะแต่ว่าเริ่มต้นที่พระโสดาบันก็เรียกว่าบางทีแรงๆก็เอาเหมือนกันนะคือเช่นว่าลูกหลานตายอย่างเงี้ยพระโสราบันก็ไปเหมือนกันนะ่ะเพราะท่านละกาม ร, ราคะายังไม่ได้ราคะเนี่ย มันทำให้เราอยากได้พอได้และเราก็เป็นสุขจากการได้แต่ถ้าเสียแล้วเราจะโศกสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราครอบครองอยู่แล้วเราก็มีความสุขจากการครอบครองแต่พอมันแตกทำลายไปมันเสียไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจเพราะงั้นพุโธศาสนาเองก็ไม่ใช่ไม่หวั่นไหวเลยเพียงแต่ว่าศรัทธาจะเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว แต่กับกิเลสนี้ไม่แน่เพราะกิเลสที่ท่านราบไม่ได้โอกาสจะหวั่นไหวมันก็มีได้การต่อไปก็บอกว่าสมาสมาจงพุทธเจ้าพปรงใดทรงธทำความรุ่งเรืองแทงตลอดซึ่งทำแล้วได้ทรงเห็นธรรมเป็นชี้ก้าวล่วงชิชิทั้งปวงธรรมที่เป็นที่ก้าวล่วงชิติทั้งปวงก็คือเนี่ยก็คือโสดาปฏิมา เอาล่วงพิธีนะฮะมาเริ่มต้นตรงนี้นตัวตรงนี้ก้าวล่วงได้เนี่ยรัศกรยะตพิธีได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทันส่งทราบแล้วและส่งกระทำให้แจ้งทำนั้นแล้วได้ส่งแสดงฐานะทั้งสิบอันเลิศฐานะทั้งสิบก็คงเป็นทศพัตน์อภยานสิบนะฮะ ความประมาทอะไรในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วด้วยดีอย่างนี้จะมีแก่ผู้รู้ทั้งหลายหมายความว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยจะไม่มีความประมาทเพราะอะไรเพราะว่าความไม่ประมาทเนี่ยมันเป็นสติคนที่มีสติสมบูรณ์คนที่มีสติไม่ไม่จะถึงนสมบูรณ์ก็ได้นะฮะ ความไม่ประมาทก็จะเพิ่มขึ้นความเผลอเรอความหลงลืมความพลั้งพลาดความเลอะเ ล, เลือนเรือนอาการมือลอยต่างๆเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็ในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วด้วยดีอย่างนี้จะมีแก่ผู้รู้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละบุคคลพึงเป็นผู้ไม่ประมาทสรุปนะฮะสรุป <dónde> ท่านท่านก็มาสรุป พอยยาเป็นผู้ประมาทเป็นที่น่าสังเกตว่าพระพันรูปที่ว่าเนี่ยก็แสดงว่าคงไม่ใช่เป็นพระหันทั้งหมดเพราะว่าคำสอนทั้งหมดที่ท่านกล่าวเนี่ยมันกล่าวเป็นการกระตุ้นเตือนภิกษุทั้งหลายให้มองให้มองดูตัวเองตรวจสอบตัวเองอยู่ในฐานะอะไร อะไรที่พูดเรื่องลากวก็เยอะมากพูดเรื่องปฏิบัติก็เยอะมากแล้วว่าเราเองอยู่จุดไหนล่ะเหมือนแต่ละองค์ก็ต้องดูตัวเองถ้าตราบใดยังไม่บรรลุมรคนเป็นพระหรันตราบนั้นมันก็ต้องประมาทไม่ ไ, ได้พระส่วนพระหันนั้นท่านไม่ประมาทสมบูรณ์อยู่โดยธรรมชาติเรียกว่าเป็นธรรมดาของพระหันทั้งหลายย่อมเป็นผู้ไม่ประมาท ราะอะไรพราะสัจจปติท่านท่านภพยบุญปัญญาท่านสมบูรณ์อะไรความเพียรอะไรก็สมบูรณ์หมดเลยพอสมบูรณ์ก็เลยพูดเรื่องเรื่องความบกพร่องทั้งหลายมันไม่มีอะไรให้บกพร่องแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแลบุคคลจึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในการ พูดง่ายๆว่าละชั่วประพฤติดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือระลึกรู้ถึงในวัยในชีวิตและในความไม่มีโลคตามปกติคนก็ประมาทในสามเรื่องเนี่ยประมาทในวัยประมาทในชีวิตประมาทในความไม่มีโรคมันก็เป็นเหตุให้ประมาทในการละความชั่วประพฤติความดี และการที่จะพัฒนาปัญญาขึ้นมาสมาธิจิ่ขึ้นมาเพื่อทำลายมิจฉาทิฐิ จ, จางไปคลายไปบรรเ่าไปจากจิตใจแล้วท่านก็ปิดประโยคสุดท้ายว่าน้อนใจศึกษาในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทุกเมื่อดังนี้ศึกษาก็คือเรื่องอะไร ศึกษาในความหมายเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติด้วยนะมันก็เหมือนกับที่นักเรียนเรียนน่ะเรียนเรียนสุขศึกษาแต่และอย่างที่จริงเขาเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อจะสอบเรียนเพื่อปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอลานามัยดีอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติควรจะแปลงฟันยังไงอาบน้ํำยังไงถูตัวยังไงอะไรต่ออะไรต่างๆเราก็เรียน ศึกษาหาความเข้าใจและ ว, ว่าเราไปนเน้นที่สอบเราไม่เน้นที่เรียนแลล ว, ว่าในหลักของความจริงและการาศึษาทั้งหมดเนี่ยที่จริงเป็นระบบเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองกู้กู้กกู ก, ก, กันไปศึกษาปฏิบัติศึกษาปฏิบัติศึกษาก็คือปฏิบัติปฏิบัติก็คือศึกษา ก็จนกว่าจะได้รับคนที่สมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าส่ง ป, ประกาศแสดงไว้ท่กฟังทั้งหลายถึงทำจากมหาทนายศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี